วันดีนะที่ ว, ว่าเป็นวันดีเนี่ยไม่ใช่เก่งเพราะว่าเป็นวันพระแต่เป็นเพราะว่าพวกเราได้มาร่วมกันทําความดีทําสิ่งที่เป็นมงคลนั่นคือการฟังธรรมนะการฟังธรรมตา ม, ตามการเนี่ยพระเจ้าจัดว่าเป็นมงคลสูงสุดประการหนึ่งแล้วฟังธรรมนี่ก็ไม่จําเป็นว่าต้องฟังจากพระเท่านั้นนะฟังจากผู้รู้ผู้มีปัญญาที่ให้ข้อคิดเตือนใจมันก็เป็นธรรมะได้เหมือนกัน อันนี้พอเป็นวันดีเป็นวังม ง, มงคลแล้วเนี่ยนะก็เป็นธรรมดาที่เราย่อมปรารถนาย่อมมีความคาดหวังว่าวันนี้น่จะเป็นไปอย่างราบรื่นทุกอย่างไม่ไว่าจะเป็นกิจกรรมการงานการเดินทางการพบปะผู้คนก็จะเป็นไปได้อย่างสะดวกเป็นไปอย่างที่คาดหวังแต่ความจริงเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าสิ่งที่ไม่เป็นไปดังใจไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาสามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกวันแม้กระทั่งวันนี้แต่มันก็ไม่ได้ทำให้วันนี้เนี่ยกลายเป็นวันที่ไม่ดีไปได้วันนี้ยังสามารถจะเป็นวันที่ดีได้แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจไม่เป็นไปดังใจหรือว่ามีอุปสรรคทาให้เกิดความขลุขรกขึ้นมา อะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะแม้จะไม่สมหวังแม้จะไม่ไม่เป็นไปดังใจแต่มอะไรเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะสิ่งที่ทางพระเรียกว่าอ น, นิจจารมคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจรวมนั่งเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่ชอบไม่ถูกใจเราเนี่ยมันสามารถจะกลายเป็นสิ่งที่ดีได้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมองมันอย่างไร หรือว่าจะปฏิบัติกรรมนอย่างไรมีคุณแม่คนหนึ่งนะลูกเป็นลูกชายอายุสามขวบวันหนึ่งคุณแม่เนี่ยก็ให้ลูกชายวัยสามขวบเนี่ยเปิดตู้เย็นเพื่อที่จะหยิบขวดนมมาวางไว้บนโต๊ะอาหารแต่ว่าขวดนมเนี่ยขวดใส่นมเนี่ยมันเป็นขวดใหญ่ มือของเด็กเนี่ยยังเป็นมือน้อยๆพอเด็กชายเนี่ยหยิบขวดนมบอกว่าหยิบจับไม่ถนัดขวดนมก็ตกจากมือนมนี่ก็เรียกว่านองพื้นเลยนะแต่ยังดีที่ขวดนมไม่แตกเด็กเห็นเนี่ยก็ใจเสียเลยนะ สักพักเนี่ยแม่ก็เดินเข้ามาเพราะว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพอแม่เห็นนมหกเลอะเทอะนองพื้นแทนที่แม่จะตกใจแทนที่แม่จะไม่พอใจแล้วก็ตำหนิลูกสั่งสอนลูกหรือว่าเทศนาอบรมหรือลงโทษลูกแม่ก็บอกว่าโอ้โหนะไม่เคยเห็น ทะเลสีขาวนองพื้นเลยไม่เป็นไรนะไหนๆหนูก็ทำนมพกแล้วเรามาสนุกนะกับทะเลสีขาวดีกว่าแล้วก็ชวนลูกเนี่ยนะอลองสัมผัสกับน้ํานมนะที่นองพื้นเด็กก็เล่นกับนมนะที่นองพื้นเนี่ยอย่างมีความ ส, สนุกสนานเลยสักพักเนี่ยแม่ก็ มานั่งอยู่ข้างๆลูกแล้วก็บอกลูกว่าลูกรู้ไหมนะเมื่อลูกทำของหกนะลูกก็ต้องรู้จักทำความสะอาดนะเรามาช่วยกันทำความสะอาดกันดีไหมลูกอยากจะทำความสะอาดยังไงนะใช้ผ้าเช็ดนะหรือใช้ม็อบลูกก็บอกว่าใช้ม็อบดีกว่าแม่ก็ไปให้ลูกเนี่ยไป หยิบม็อกมาแล้วก็กวาดทําความสะอาดนะจนกระทั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเดิมช่วยกันทั้งแม่ทั้งลูกลูกก็สนุกนันกับการกวาดเนะช็ดทาความสะอาดพื้นแต่และแม่ก็พูดกับลูกว่าเนี่ยที่ลูกเนี่ยทำนมผงเนี่ยนะมันเป็นเพราะว่าปวดนมเนี่ยนะมันเป็นขวดใหญ่แต่มือหนูเป็นมือเล็กๆหนูไปจับขวดนมเนี่ยตรงกลางขวดจับไม่ถนัดมันก็เลยหลุดจากมือ ตอนี้เราลองมาดูซิว่าเนี่ยทำยังไงเนี่ยถึงจะจับขวดนมได้โดยที่ไม่รู้จักมือนะเดี๋ยวแม่จะเอาขวดนมขวดเดิมนี่แหละนะแล้วไปที่หลังบ้านกันแล้วเดี๋ยวแม่จะเติมน้ําเปล่าลงในขวดนมขวดนี้แหละแล้วลูกลองจับนะลองถือดูว่าทํำยังไงเนี่ยมันถึงจะไม่รู้จักมือเดี็กก็ลองทําดูนะหลังจากที่เติมน้ําใส่ไปในขวดนั้นแล้ว แล้วเด็กก็พบว่าเนี่ยถ้าจับตรงคอขวนเนี่ยมันก็จะกระชับมือแล้วก็ไม่หลุดจากมือง่ายๆเด็กก็ค้นพบแล้วว่านะว่าเนี่ยถ้าจะจับขวดนมเนี่ยจากตู้เย็นทำยังไงเนี่ยนะมันจึงจะไม่หล่นจากมือแล้วก็ไม่นองพื้นเด็กคนนี้เนี่ยภายหลังเนี่ยก็กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะแล้วเขาบอกว่าเหตุการ วันนั้นเนี่ยวันที่เขาทำนมเนี่ยวรนมหลุดจากมือเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากเลยเพราะว่าแม่มันจะเป็นความผิดพลาดเนี่ยแต่แม่ก็ทำให้เขาเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าน่าหวาดกลัวแม่สอนให้เขาเนี่ยได้รู้จักหาบทเรียนนะได้เรียนรู้นะจากเหตุการณ์นั้นและทำให้เขาเนี่ยรู้จักไพร่ครวน ไม่ใช่แค่ระมัดระวังนะแต่รู้จักไตรตรองหาหนทางแก้ไขความผิดพลาดงั้นถ้าเราลองสังเกตนะสิ่งที่คุณแม่ท่านนี้เนี่ยทำเนี่ยนะมันน่าสนใจมากเลยทำให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้หลายประการเลยข้อหนึ่งคือว่าคุณแม่เนี่ยรู้จักสอนให้ลูกเนี่ยหาประโยชน์จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น น้ำนมเนี่ยมันนองพื้นแล้วนะแต่ว่าแม่ก็ชวนให้ลูกเนี่ยลองเล่นสนุกกับน้ำนมดูเหมือนก็เป็นทะเลสีขาวมันเลอะเทอะก็จริงนะแต่ว่ามันก็เป็นของเล่นได้เหมือนกันนี่เรียกว่าหาประโยชน์จากความผิดพลาดและสองเนี่ยแม่ได้สอนลูกว่าเนี่ยเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยลูกต้องรับผิดชอบรับผิดชอบอยังไง น้ำนมมันหกเลอวเทพื้นแล้วเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดแทนที่แม่เนี่ยจะทำนะให้ลูกเนี่ยแม่กับแนะนำว่าให้ลูกเนี่ยได้ลงมือทำความสะอาดที่เกิดจากการทำน้ำนมเนี่ยทาขวดนมตกจากและสามเนี่ยแม่ได้สอนลูกว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นตรงไห น, นเช่น อที่หนูจับนะขวดนมแล้วเนี่ยมันหลุดมือพอไปจับกลางขวด น, ะนี่คือสาเหตุแห่งความผิดพลาดข้อที่สเนี่ยแม่สอนลูกว่าทำอย่างไรเราจะแก้ไขความผิดพลาดได้ก็คือแทนที่จะมาจับกลางขวดก็มาจับตรงคอขวดมันเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจเด็กชายมาก เพราะว่าสิ่งที่แม่ทำเนี่ยคือแม่สอนให้เด็กได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นความผิดพลาดนี่ไม่มีใครชอบนะแต่ว่าแม่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ความผิดพลาดที่เกิดจากลูกเนี่ยนะที่เกิดจากความไม่รู้ของลูกเนี่ยให้เป็นประโยชน์ทําให้ลูกเกิดความรู้ทําให้ลูกเกิดประสบการณ์ทําให้ลูกเกิดความเข้าใจ และสิ่งที่น่าสนใจคือแม่เนี่ยไม่ได้บอกคำตอบให้ลูกนะแต่แม่ให้ลูกคิดเองเช่นตอนทำความสะอาดเนี่ยแม่ก็บอกลูกว่าแม่ก็ถามลูกว่าจะทาความสะอาดยังไงนะจะใช้ผ้าหรือจะใช้มอบลูกบอกใช้มอบครับนะและตอนที่ให้ลูกเนี่ยลองค้นหาวิธีการที่จะถือขวดนม โดยที่ไม่หล่นจากมือเนี่ยคําตอบนี่แม่รู้อยู่แล้วแต่แม่ไม่บอกแม่ก็ให้ลูกลองทําดูนะว่าทำยังไงเนี่ยเอาน้ําเปล่าใส่ในขวดนมแล้วลองถือดูจับตรงไหนถือตรงไหนเนี่ยมันถึงจะกระชับไม่หล่นจากมือแล้วเดี๋ยวก็พราบว่าก็จับตรงคอขวดนมันก็จะ กระชับนัน่นเพราอมือเด็กเนี่ยยังน้อยๆอ ย, อยู่อันนี้เป็นบทเรียนสําคัญนะที่เด็กเนี่ยเขาได้เรียนรู้และทําให้เ้ากลายเป็นนักวิทยาศาสตรนะ์ที่มีชื่ออันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นนะปัญญาของผู้เป็นแม่นะที่รู้จักหาบทเรียนมาสอนลูกเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นในชีวประจําวันเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิด ต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแทนที่จะบน่นวอยทีโปรตีตพายลองนึกว่าท่าแม่เนี่ยวอยทีโปรตีพายใส่ลูกนะหรือลงโทษลูกเนี่ยลูกจะรู้สึกยังไงลูกจะไม่กล้าทําอะไรผิดเลยลูกจะไม่กล้าไปหยิบขว น, นมจากตู้เย็นอีกเลยแล้วลูกจะกลัวความผิดพลาดและคนเราพอกลัวความผิดพลาดนะั้นเราจะพยายามหลีกหนีการกระทําอะไรทุกอย่างที่มันเสี่ยงต่อความผิดพลาดซึ่งในโลกนี้ไม่มีนะ ทำอะไรทุกอย si ่างเนี่ยมันย่อมมีโอกาสที่จะผิดพลาดแต่คนเราถ้ากลัวความผิดพลาดแล้วเนี่ยมันก็จะหลีกเลี่ยงกลายเป็นคนไม่กล้าทำอะไรเลยและชีวิตที่ไม่กล้าทำอะไรเลยเนี่ยเพราะกลัวเสี่ยงกลัวความเสี่ยงเนี่ยเป็นชีวิตที่เสี่ยงอย่างยิ่งนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มเหลวมีโอกาสที่จะไม่สามารถจะค้นพบศักยภาพในตัวเองได้แล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่แม่สอนรทั้งสี่ประการเนี่ย มันไม่ใช่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับลูกนะสำหรับเด็กเท่านั้นนะมันเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ที่เป็นสำหรับคนทุกคนรวมทั้งผู้ที่เป็นพ่อแม่ด้วยเพราะว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่และถ้าเราขยายจากความผิดพลาดกลายเป็นความทุกข์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเราก็จะพบว่าการรู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์ จากเหตุการณ์ที่ไม่เึงปรารถนาเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญทํางานแล้วล้มเหลวเนี่ยมันก็ไม่เป็นสิ่งเสียหายมันมีประโยชน์ทุกครั้งที่ล้มเหลวทุกครั้งที่ไม่ประสบผลเนี่ยถ้าเรารู้จักหาประโยชน์จากมันเนี่ยเราจะได้ความรู้เราจะได้ประสบการณ์ทมัสอดิสันเนี่ยนะซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในของอเมริกาเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเราคงทราบอยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้ที่ประดิษฐ์ หลอดไฟเป็นคนแรกในโลกแล้วก็หลอดไฟเนี่ยมันจะให้แสงสว่างได้ก็เพราะว่ามันมีไส้ที่มีความต้านทานต่อไฟฟ้าสูงปล่อยไฟฟ้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีแรงต้านทานสูงก็จะสว่างเรืองเกิดแสงสว่างขึ้นคำถามคือจะใช้อะไรเป็นหลอดเป็นไส้ไฟเป็นไส้หลอดไฟไอิริสันเนี่ยใช้เวลานานมากเลย ในการที่จะหาวัสดุที่เอามาทําเป็นหลอดไฟฟ้าเขาล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาไม่เคยทอ้อเขาบอกว่าผมไม่เคยล้มเหลวผมแค่พบหนึ่งพันวิธีการที่มันไม่เวิร์กเขาพูดดีนะว่าผมไม่เคยล้มเหลวผมแค่พบวิธีการที่มันไม่เวิร์กนะนับร้อยนับพันครั้งก็ได้ความรู้ทุกครั้ง นะที่ทําให้สําเร็จอันนี้เรียกว่ารู้จักหาประโยชน์จากความล้มเหลวคือได้ความรู้ได้บทเรียนซึ่งล้นแต่มีประโยชน์มีคนหนึ่งพูดไว้ดีนะอันนี้ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเหมือนกันนะซึ่งตอนหลังเขาก็ค้นพบนะเกี่ยวกับเรื่องการเกิดสาเหตุการเกิดโรคเขาบอกว่าเนี่ยคนเราเวลาล้มเนี่ย ก่อนที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยให้หยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างอย่าลุกขึ้นมาเปล่าๆนะบางคนล้มไม่ยอมลุกนะแต่บางคนล้มแล้วก็ลุกแต่จะดีต้องหยิบอะไรขึ้นมาติดมือบ้างนะอย่าล้มฟรีๆผู้ ง, ง่ายๆคนเราถ้ารู้จั ก, จากหาประโยชน์จากความทุกจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือที่ทางพระเรียกว่าอนิธารลมเนี่ยผู้เจ้าสารเสริจว่าเป็นบัณฑิตนะผู้เจ้าจเคยจักับพระอนันทิยะว่า และพั น, นันเทียก็มาเล่าให้พระองค์ุลีบานฟังว่าเนี่ยผู้เจ้าสอนอย่างเงี้ยบุคคลผู้รู้จักหาประโยชน์จากอนิถารลมปัตถาคตสารเสรมิมคุณธรรมเป็นบัณอนิถารมคือลบลดกลกินเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจลงนรังเหตุการณ์เช่นเสื่อมลาบเสื่อมยศหรือความไม่ประสบความสําเร็จที่เราเรียกว่าความล้มเหลวพวกนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ไม่ใช่แค่งานที่ไม่ประสบความสําเร็จและให้ความรู้กับเราอย่างที่เอดดิสัน ก็พูดขึ้นมาคําต่อว่าด่าทอนี่ก็มีประโยชน์อย่างมีเสรษฐีคนนึงนะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองโบราณคุณเล็กวิลเียมพันเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลแปลว่าอะไรแป ล, ว, แลว่าวันไหนถูกตําหนิวันนั้นเป็นมงคลคนธรรมดาไม่อยากถูกตําหนิวันไหนถูกตาหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลโกรธโมโหไม่พอใจแต่คุณเล็กเนี่ยรู้จักหาประโยชน์จากคำำําตําหนิว่าคําตําหนิมันสอนให้เรารู้ว่าเรามีอะไรที่ผิดพลาดเรามีอะไรที่ควรแก้ไข แล้วนี่เราคือมองคลถ้าเรารู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์นะเราจะไม่มีคําว่าขาดทุนนะเงินหายนะเราจะไม่หมดแต่จมอยู่ความเสียใจกับความโมโหแต่เราจะได้บทเรียนว่าเออเราต้องระมัดระวังนะต้องไม่ประมาทนะรวมทั้งได้เห็นสัจธรรมนะว่ามันไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยแม้เราจะดูแลมันอย่างดีอย่างไรบางทีก็น้ําท่วมบางทีก็ไฟไหม ไม่มีอะไระเป็นของเราเลยเนี่ยอันนี้คือสัจธรรมขั้นสูงนะเรื่องอนัตตาเลยทีเดียวเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากความเจ็บป่วยอย่างไรก็ระจะป่วยมาสอนมาเตือนให้เรารู้จั ก, จกใช้ชีวิตให้สมดุลรูล้จักพักผ่อนอย่าหากักโหมรู้จักปล่อยวางบ้างรวมทั้งทาให้เราเห็นสัจธรรมขั้นสูงว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลย อาจารย์พุทธะบอกว่าเนี่ยป่วยทุกครั้งก็ให้ฉลาดทุกทีเพราะความป่วยเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดในเรื่องของสังขารว่าสังขารไม่ใช่ของเราและสังขารเป็นตัวทุกข์มันแสดงทุกให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราจะสังเกตหรือไม่แม้นในยามที่เราปกติไม่ได้แปลว่าเราไม่ป่วยข้างในมันมีความเจ็บความป่วยอยู่เพียงแต่ว่ามันยังไม่แสดงอาการแต่บางคนกว่าจะรู้ว่าป่วยก็เพราะว่าเป็นมะเร็ง ขั้นที่สามซะและ้วแปลว่าตอนที่ยังไม่ป่วยหรือรู้สึกว่ายังไม่ป่วยที่จริงเนี่ยข้างในเนี่ยมันมันมีอาการแล้วความเจ็บป่วยเกิดขึ้นให้เรารู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์จากเหตุการณ์ที่ไม่ปึงประสงค์สอนลูกสอนหลานแล้วก็สอนเรามีผู้ชายคนหนึ่งนะขับรถปกติเวลาขับรถเนี่ยแกก็จะมุ่งหน้าตั้งนังตาขับรถไปถึงจุดหมายโดยนที่ไม่สนใจ ลูกที่นั่งอยู่เบาะหลังแต่วันนึงเนี่ยรถติดรถติดพ่อก็เลยหันมาคุยกับลูกแล้วก็ถามลูกประโยชน์หนึ่งว่ารถติดนี่มีข้อดีอย่างไรบ้างรถติดมีข้อดีอย่งไรบ้างใครๆก็รู้ว่ารถติดนี่ไม่ดีนะแล้วข้อดีมันมีไหมพ่อถามลูกลูกก็ตอบว่ารถติดก็ดีเลครับทําให้พ่อหันมาคุยกับลูกเพราะถ้ารถไม่ติดนี่พ่อไม่ไม่สนใจลูกเลยนะพ่อมองแต่ถนนหรือมุ่งแต่ จุดหมายปลายทางข้างหน้าอย่างเดียวแต่พอ ร, รถติดพ่อก็เลยหันมาคุยกลูกนี่คือข้อดีซึ่งเราสามารถสอนลูกได้นะเหมือนกับที่แม่คนนี้เนี่ยก็ทำให้ลูกเห็นว่าน้านมขวดนมตกนี่มันก็มีข้อดีคือก็คือว่าน้ำนมเนี่ยมันเลอะพื้นเนี่ยมันก็ทำให้เป็นทะเลสีขาวให้ลูกได้เล่นสนุกได้เหมือนกันพระการต่อมาเนี่ย แม่สอนให้ลูกรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นความผิดพลาดของใครความผิดพลาดของลูกอันนี้จะมาคี่ว่าสำคัญกันนะการสอนลูกเนี่ยการสอนหรือบทเรียนขั้นสำคัญบทแรกๆกเลยคือให้รู้จักรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองโดยพราะม่มีความผิดพลาดเมื่อทำน้ำหกลูกก็ต้องรู้จักทาความสะอาดด้วยตัวเอง ที่จริงจะว่าแต่ความผิดพลาดเลยนะแม้กระทั่งการกระทาที่มันเป็นสามัญเนี่ยลูกก็ควรจะรับผิดชอบเช่นตื่นนอนขึ้นมาที่นอนเนี่ยต้องรู้จักเก็บที่นอนไม่ใช่ปล่อยให้มันยับยุยี่นะหรือว่าเลอะเทอะกินข้าวจานไม่สะอาดจานสกรปรกลูกก็ต้องรู้จักล้างด้วยตัวเองบ้างเพราะว่าไอความสกรปรกนี่นะ มันเกิดจากรูปนะนี่เป็นบทเรียนพื้นฐานนะที่สําคัญสําหรับเด็กซึ่งจะมีความหมายต่อช่วยเขาในภายภาคหน้าแล้บางทีนะเด็กก็อาจะมีเหตุผลนะว่าจะล้างจานไปทําไมเดี๋ยวมันก็สกปรกอีกนะจะเก็บที่นอนไปทําไมเดี๋ยวมันก็ยับยุ่ยี่งใหม่อันนี้เราก็จะบอกกับลูกว่านี่ยก็เหมือนกับถูฟันนะเราถูฟันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็อ ป่าก็ไม่สะอาดดิเราก็ต้องถูใหม่นะไม่ใช่ว่าเราไม่ถูเลยนะพราะคิดว่าหรือให้เหุผลว่าเดี๋ยวมันก็ไม่สะอาดดิทาไมเราต้องอาบน้ําทุกวันนะทั้งที่อาบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมันก็ร่างกายก็สกปรกใหม่แต่เราก็ต้องอาบแล้วเราควรอาบอันนี้เป็นเหตุผลที่เราที่เราควรจะบอกหรือสี่แจงให้ลูกฟังไม่งั้นลูกก็จะบอกว่าเนี่ยนะล้างไปทําไม เก็บที่นอนไปทําไมเดี๋ยวมันก็ยับยยี่ใหม่นะอาตมาคิดว่านี่เป็นเรื่องสําคัญนะคือการที่คนเรารู้จักรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองเมื่อเด็กไม่ทําการบ้านถูกครูลงโทษพ่อแม่ก็ควรจะให้ลูกเนี่ยยอมรับการลงโทษของครูไม่ใช่ไปปกป้องลูกด้วยการโกหกนะว่าลูกไม่สบายลูกก็เลยไม่ได้ทําการบ้าน การทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการสอนให้เด็กไม่รู้จักรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเพราะต่อไปเดี๋ยวก็จะชุดจิตในห้องสอบและคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่จะช่วยปกป้องและการที่คนเราเนี่ยจะรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองได้เนี่ยจะต้องเริ่มจากการใส่ใจหรือคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะอัตอมาเคยไปบรรยายที่สถานที่ราชการแห่งหนึ่งก่อนไปบรรยายก็ไปเข้าห้องน้า ก็ไปเจอคุณป้าทึ่เป็นพนัก ง, งานทําความสะอาดแกบนนะบอกว่าเนี่ยคนที่ไปถ่ายหนักเนี่ยในห้องน้ําเนี่ยทําไมหลายคนเนี่ยไม่ยอมกดชักโครกเลยนีม่มันน่าคิดนะคนที่ไปใช้ห้องน้ําเนี่ยคงไม่ใช่เด็กนะเป็นผู้ใหญ่แต่ทําไมในเมื่อตัวเองถ่ายทุกข์แล้วเนี่ยถึงไม่กดชักโครกเลยแสดงว่าเขาไม่ได้หันมาดูเลยนะว่า หรือไม่สนใจนะว่าการกระทําของตัวเองเนี่ยมันเกิดผลอะไรตามมาหรือเกิดผลอะไรขึ้นเพียงแค่สบายใจพอทําพอสบายใจแล้วก็พอแล้วไม่เลยมาใส่ใจว่ามันเกิดผลอะไรขึ้นมาหรือเกิดผลอะไรตามซึ่งธารมคิดว่านี่คงไม่ได้เกิดขึ้นนิสัยนี้คงไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคงจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่เล็กแล้วคือการเลี้ยงดู และทุกคนเราท้าไม่ใส่ใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือผลที่จะตามมาไม่ว่ากับตนเองหรือกับผู้อื่นแล้วนี่น่ากลัวนะเด็กวัยรุ่นหลายคนที่ไปฆ่าคนตายหรือไปกระทําชําเราผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าพักพวกหรือแก๊งพาไปเนี่ยนะหลายคนเนี่ยพอถูกจับได้และถูกลงโทนแล้วถูกตัดสินให้ อยู่ในเรือนจำก็ดีหรือว่าอยู่ในสถานบาบัดของเยาวชนอย่างบ้านการอย่างพิเศษก็ดีแล้วคนบอก ว, ว่ามีคนถามว่าไม่ไม่เคยคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะกับเหยื่อของตัวกับพ่อแม่ของเขาหรือเกิดขึ้นหรือผลจะเกิดขึ้นกับตัวเองเลยหรือเด็กแล้วคนบอกไม่เคยคิดเลยมันแค่ทำไปตามอารมณ์สะใจก็พอแล้ว หรือว่าได้บําบัดนะความอยากก็พอแล้วแต่ไม่เคยคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่ตามมาทั้งกับผู้อื่นกับเหยื่อกับเจ้าของเขาหรือแม้แต่กับตัวเองก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามีคนจนไม่น้อยเนี่ยนะที่ทำอะไรโดยไม่คิดถึงผลกระทบเลยแต่สมาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มากนะเพราะว่าการหล่อล้อมการเลี้ยงดูและคนเราเนี่ยถ้าหากว่าทําอะไร โดยคำนึงแต่ความสบายใจและไม่สนใจต่อผลกระทบที่ตามมานี้มันนำไปสู่ปัญหาหลายอย่างคนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เนี่ยนะดื่มน้ำเสร็จก็โยนขวดน้ำลงข้างทางหรือว่าลงถนนนะขับรถนั่งรถก็เปิดหน้าต่างแล้วก็ทิ้งขยะออกทางหน้าต่างรถเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในประเภทเดียวกันนะคือว่า คำนึงถึงแต่ความสบายใจของตัวแต่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาและเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งในหมาวิลัยเนี่ยก็มีขยะที่ถูกทิ้งตามท้องถนนสนามหญ้าแม้กระทั่งในห้องน้ําหรือในห้องเรียนแล้วคนที่ทิ้งก็คงไม่ใช่ใครนะคุเป็นทางศึกษาทำไมถึงทําอย่างนั้นนะก็เพราะว่าสนใจแต่ความสบายใจเพราะความ สะดวกของตัวแต่ไม่คิดถึงผลกระทบที่จะตามมากับสถานที่กับผู้คนและต่อไปความคิดแบบนี้มันก็ส่งผลเสียกับมาที่ตัวเองนะหลายคนเนี่ยติดเหล้าติดยาติดเกมติดการพ น, นันติดเกมออนไลน์สร้างที่สิ่งเหล่านี้เป็นโทษต่อตัวเองต่อสุขภาพตัวเองเ้าไม่รู้หรือว่ามันเป็นโทษหลายคนไม่รู้นะหลายคนไม่สนใจเพราะสนใจแต่ว่าตอบสนอง ความพึงพอใจส่วนตัวเท่านั้นละทำลายรสสบายใจทํายแล้วมีความสุขเท่านี้พอส่วนมันจะนมีผลกระทบอะไรตามมาไม่ใช่กับคนอื่นเท่านั้นนะกับตัวเองก็ไม่สนใจอันนี้เราไปถึงการกินด้วยนะกินโดยคํานึงแต่ความรอร่อยอร่อยกินตามใจปากใส่แล้วเกิดโรคเกิดโรคเบาหวานเกิดไตวายเกิดโรคหัวใจนะบางคนนี่อายุไม่เท่าไรแล้วก็อ้วนนะเกินที่กัดมาก อันนี้ก็เหมือนกันนะคือว่าทําอะไรเนี่ยโดยที่ไม่ทํานึงถึงผลที่ตามมาแม้กระทั่งผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองไม่ใช่ระยะราวอย่างเดียวบางทีก็ระยะสัน้นดังนั้นการที่พ่อแม่เนี่ยสอนลูกเนี่ยอย่างที่คุณแม่คนที่ว่านสอนลูกให้รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองเนี่ยเมื่อทํานมผกก็ต้องเช็ดทําความสะอาดแม้จะเป็นเด็กอายุ3ามขวบนะแต่ว่าก็ควรจะก็ไม่ไม่สายเกินก็ ควรที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วอยู่ในวิสัยที่จะเรียนรู้ได้และถ้าหากว่าเด็กเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่และผิดชอบก่อการกทําตัวเองเนี่ยนะเขาจะเข้าใจนะว่าทําไมเนี่ยคนเราเนี่ยควรจะทําความดีทำอะไรคนเราเราควรจะใส่ใจสิ่งแวดล้อมทให้คนเราควรจะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่นนะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่เอาเปรียบเยบียดเบียนผู้อื่นไม่ทุจริตเพราะรู้ว่า การทําสิ่งที่ไม่ดีส่งผลกระทบอะไรตามมาและคนเราทัาา้งรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองนะใส่ใจต่อการกระทําที่เกิดขึ้นด้วยน้าเมื อ, องตัวเองเนี่ยการที่เขาจะเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็จะเข้าใจง่ายเพราะกฎแห่งกรรมคือการที่คนเราเนี่ยถ้าปรารถนาความสุขก็ต้องทําความดีแต่ถ้าหาว่าไม่ทําความดีทําความชั่วสุดท้ายใครที่รับกรรมก็คือตัวเรานั่นเองต้องรับวิบากกรรม ถ้าไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองเนี่ยต่อไปก็ต้องนะเจอวิบากที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เป็นบาปของที่บทเรียนที่สมเนี่ยก็สําคัญนะที่แม่สอนลูกเนี่ยว่าเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรสาหาสสาเหตุแม่สอนลูกว่าเนี่ยที่ลูกทำขวด น, นมตกเพราะาลูกเนี่ยจับไม่ถูกที่นะไปจับที่กลางขวด และถ้าจะให้นมหรือควรนมไม่ตกนะจะทำอย่างไรก็ให้รู้จักนะจับให้มันถูกที่ก็คือรู้จักแก้ทุกข์รู้จักแก้ไขความผิดพลาดคนเราเนี่ยถ้าว่าเรารู้จักวิเคราะห์ใคร่ครวญถึงความผิดพลาดว่าเกิดขึ้นจากอะไรและเราจะแก้ไขมันอย่างไร ให้การที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยให้ถูกต้องดีงามเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ไง่ายและมีความสุขด้วยที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องของอริสัต4์เลยนะอริสัตย์สี่นี่คือนะการเมื่อเจอทุกข์แล้วต้องหาเหตุแห่งทุกข์นะและจะต้องรู้จักนะปฏิบัติประธรรมการเพื่อขจัดเหตุแห่งทุกข์อันจะนําไปถึงความสุขหรือความไร้ทุกข์ ความทุกข์บางอย่างเนี่ยนะมันแก้ไขได้ด้วยการลงมือกระทําสร้างเหตุสร้างปัจจัยถูกต้องแต่ไม่มีความทุกข์บางอย่างนะที่มันไปจัดการกับสิ่งภายนอกไม่ได้มันต้องมาจัดการที่ตัวเองอันนั้นคือความทุกข์ใจเวลามีความทุกข์ใจเนี่ยนะเราต้องรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์เกิดจากอะไรคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่รู้นะว่า เหตุแห่งความทุกข์ใจเนี่ยอยู่ที่ไหนหลายคนเนี่ยไปโทษสิ่งภายนอกแต่สิ่งภายนอกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ใจอย่างแท้จริงมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะไปปฏิบัติธรรมที่สำนักหนึ่งคืนแรกผ่านไปรุกขึ้นเจ้าสำนักก็ถามว่าเมื่อคืนนอนหลับไหมแต่ตอบว่า ช่วแรกๆนี่ผมนอนไม่หลับเลยเอาทาไมล่ะหานมันส่งเสียงมันร้องเสียงดังผมนอนไม่หลับเลยเอาแล้วทําไมแล้วตอนหลังหลังนั้นนะแล้วตอนแลได้หลับบ้างไหมแกบอกว่าหลังจากนั้นผมก็ได้หลับครับเอาทำไมถึงหลับได้ผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าในโทรศัพท์มือถือเนี่ยได้อัดคำบรรยายธรรมะของครูบาอาจารย์หลายท่านพอผมนอนไม่หลับผมก็เลย ฟัง ร, รมของครูบาอาจารย์เหล่านั้นโดยเอาหูฟังเนี่ยมาเสียบใส่หูวแล้วก็ฟังคำบรรยายของครูบาอาจารย์จากโทรศัพท์มือถืตอตจนหลับไปได้ถึงเช้าเนี่ยอาจารย์ก็ถามว่าแล้วระหว่างเสียงห่านเนี่ยกับเสียงธรรมะจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยอะไรดังกว่ากันเสียงธรรมะจากโทรศัพท์มือถือดังกว่าครับแล้วทำไมคุณหลับได้แปลว่า ความดังเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเสียงหานเนี่ยนะมันดังน้อยกว่าเสียงบรรยายของครูบาอาจารย์ทางโทรศัพท์มือถือแต่ทําไมไม่นอนไม่หลับเพราะราคาญทำไมถึงราคาญเพราะใจไม่ชอบเสียงหานใจไม่ชอบเสียงหานจึงนอนไม่หลับแต่ว่าใจเนี่ยชอบคบําบรรยายของครูบาอาจารย์มันเลยหลับแปลว่าอะไรแปลว่า ไอ้ความหดหิดความไม่พอใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความดังของหา่านแต่มันเกิดจากความไม่พอใจในเสียงดังในเสียงหา่านตรงเนี้คือเหตุแห่งทุกข์นะเหตุแห่งความหงุดหงิดแห่งแห่งการนอนไม่หลับไม่ใช่เสียงหา่านแต่เกิดจากความไม่พอใจเสียงหา่านความรู้สึกลบต่อเสียงหา่านและความรู้สึกลบดีที่ไหนที่ใจเราเหตุแห่งทุกข์เนี่ยถ้าจะร้อยท้องร้อยเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราพระเจ้าตรัสว่า มือที่ไม่มีแผลเมื่อจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้ามือมีแผลเมื่ อ, อไรจับต้องยาพิษจึงจะเกิดอันตรายอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยนะยาพิษไม่ใช่ปัญหาหรืออันตรายแต่ว่าสิ่งที่เป็นอันตรายสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายคือมือที่มีแผลปัจจัยภายนอกเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับปัจจัยภายในยาพิษนีเนี่ย เป็นอุปมาอุปไมยหมายถึงความเจ็บความป่วยความสูญเสียหรือเสียงต่อว่าด่าทอก็ได้ไอสิ่งเหล่านี้มันไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์ถ้าใจเราเนี่ยไม่มีแผลหรือใจเราไม่มีข้อบอกพร่องแต่ถ้าใจเราเนี่ยนะไม่มีธรรมะมาช่วยรักษาเรามีความรู้สึกลบความทุกข์จิงจะเกิดขึ้นให้ลองให้ลองพิจารณาดูดีๆนะ ไม่มีอะไรหรือใครทําให้เราทุกข์ทำให้เราโกรธได้หากว่าใจเราเนี่ยไม่ไปร่วมมือหรือไม่เออเ อ, อ, หอหมกด้วยตรง น, นี้สําคัญนะเนี่ยใจเราเนี่ยเนี่ยเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะโดยเพาความทุกข์ใจเนี่ยสาบไปจริงจริงเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราเนะเหตุร้ายเกิดขึ้นถ้าใจเราไม่ไปร่วมมือด้วยนะมันก็ไม่เกิดความทุกข์นะเมื่อสักสองเดือนก่อนเนี่ยนะมี ข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งนะก็คือว่าขณะที่จราจรเนี่ยมันทับทั้งมากในกรุงเทพเนี่ยเขาก็จูจ่ๆเนี่ยรถเบนซ์คันหนึ่งเนี่ยก็โดนชนท้ายรถอะไรที่ชนท้ายรถซาเล้งคนขับซาเล้งเนี่ยก็เป็นชายชราตาแก่คงไม่ดีนะรถเบนซ์เนี่ยราคาหลายสิบล้านนะถูกชนท้ายเจ้าของลงมาดูท้ายรถ ก็เห็นท้ายรถบุกวีแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าของรถไม่เอาเรื่องซาเลงก็กลับไปขึ้นรถแล้วขับรถไปแกไม่เอาเรื่องก็กลายเป็นข่าวที่มีคนโพสเพราะมีบางคนบังเอิญเนี่ยนะถ่ายคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดีแล้วก็เอาโพสขึ้น F ฟซบุ o กแลวพูดจาสรรเสริญเจ้าของรถเบ้นมากเลยที่ไม่เอาเรื่องรถซาเลง ถาาทำไมถึงไม่เอารถไม่เอาเรื่องไม่เอาไม่เอาเรื่องซาเล้งก็เพราะเจ้าของรถแกไม่ถือไม่ถือนี่ความหมายนั่นคือว่าไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นในรถว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเจ้าของรถเนี่ยถือนะแกก็จะโกรธแล้วแกก็จะเอาเรื่องรถเจ้าของรถซาเล้งรถถูกกระทบ แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทุกข์เสมอไปไม่ได้แปลว่าเราต้องโกรธเสมอไปอยู่ที่ว่าเราถือหรือไม่ไม่ใช่ว่าพอรถถูกชนแล้วเราจะโกรธทันทีไปตนนบไม่ใช่มันอยู่ที่ใจของเราว่าเราถือไหมเรายึดมั่นถือมั่นในรถคันนี้ไหมหรือเรายึดถือในเรื่องของตัวกูของกูมากแค่ไหนก็เหมือนกับเรากําลังดูซื้อผลไม้จากร้านข้างทางอยู่ดีมีคนมาชนเราจน เ, จนเซจนทลา นาทีแรกวินาทีแรกเราโกรธแต่พอเราหันกลับไปเกือบจะด่าแล้วรากว่าเราชะ ง, งักทันทีเพราะคนที่มาชนเราเนี่ยเป็นคนตาบอดทาไมเราไม่โกรธแล้วทําไมหายโกรธเพราะเราไม่ถือนะบางทีเขาอาจจะเป็นคนเมาก็ได้แล้วก็มาชนเราไอ้เป็นคนบ้าก็ได้ที่มาด่าเราพอเรารู้เขาเป็นคนบ้าเป็นคนเมาด่าเราเราไม่โกรธแล้วเพราะเราไม่ถือ อันนี้แสงว่าความกลัว ก, ก็ดีความทุกข์ก็ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะมีคนมาด่าเราไม่ใช่เพราะมีคนมาชนเราหรือไม่แต่เป็นเพราะว่าเราถือหรือไม่เหยุแห่งทุกอยู่ตรงนี้คนเนี่ยมีความทุกข์มากดีเพราะวาความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูแต่ว่ามองไม่เห็นไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าเขาว่าเราเขารังแกเราหรือว่าเขามาทําของของเราให้เสียหายพระเจ้าเปรียบคนบางชนิดว่าเหมือนกับ หมาหรือสุนักที่เรื้ยงผิวมันเป็นแผลหนังเนี่ยมันมีเชื้อโรคมันไปนอนใต้ต้นไม้มันก็คันมันก็โทษต้นไม้ว่าทำให้มันคันมันไปนอนในถ้ำมันก็คันมันก็โทษถ้ำว่าเนี่ยว่าไม่สะอาดทำให้มันคันมันเป็นนอนในศาลามันก็คันมันก็โทษศาลามันก็เลยย้ายไปนอนใต้ถุนกุฏิพระมันก็คันอีก แล้วมก็โทษเนี่ยสถานที่นะสถานที่นี้ว่าล้วนแต่ไม่ข้อท่าทั้งนั้นแต่ที่จริงเนี่ยมันลืมมองตัวเองนะว่าที่คันเนี่ยเป็นเพราะว่าผิวเ น, นี่ยมันมีแผลความทุกข์คนเราเนี่ยหรือว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกไม่ได้เกิดจากคน น, นั้นคนนี้มาเท่าเท่ากับเกิดที่ใจของเราเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นยึดถือในหน้าตาหรือคาดหวังในความสําเร็จหรือยึดถือว่านี่เป็นของเราของเราของเรา ถ้าว่าเราถือให้น้อยลงปล่อยวางให้มากขึ้นเราจะทุกน้อยลงถึงเวลาจะป่วยเราก็ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยเพราะเราไม่ได้ยึดว่าเนร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราของหายเราก็จะทุกน้อยลงเพราะเราไม่ได้ยึดว่าร่างกายนี้หรือของนี้เนี่ยเป็นเราเป็นของเรารถถูกชนถูกเฉียวก็ไม่ได้ทุกไม่ได้โกรธมากแต่ถ้าเว่ารถเป็นเราเป็นของเราเมื่อไหร่นะ แต่ว่าแตชนเลยนะแค่เฉียวเบาๆนี่โกรธแล้วแล้วเราก็ไปโทษคนที่มาเชียวว่าเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่จริงไม่ใช่แต่เพาะใจที่มันยึดถือตรงนี้แหละนะที่เราควรจะมองให้เห็นนะว่าใจแห่งความทุกข์เนี่ยอยู่ที่ไหนแน่อยู่ที่ข้างนอกอยู่ที่ใจแล้วเมื่อเรารู้ว่าเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ใจแล้วเราก็แก้ที่ใจปรับใจอะไรถูกต้องปล่อยวางให้มากขึ้นยึดมั่นถือมันให้น้อยลง และไม่ใช่ยึดมันถือมั่นเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเช่นรถเช่นบ้านทรัพย์สินเงินทองหรือคนรักหรือหน้าตาสิ่งที่ทําความทุกข์ให้กับเราเราก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางแต่แปลนะ่ะคนเราแม้กระทั่งสิ่งที่ทําความทุกข์ให้กับเราเราก็ยังไปยึดเช่นความโกรธความเครียดความวิตกกังวลความเจ็บความปวดผู้คนแทบจะลอยท้องลอยในยึดในสิ่งเหล่านี้ สถางที่มันไม่ดีเลยแต่ทำไมมันยึดก็เพราะหลงเพราะลืมตัวปวดตรงไหนเนี่ยใจก็จะไปจดจ่อตรงนั้นไอ้ตรงที่ไม่ปวดไม่สนใจนะเวลาโกรธเนี่ยนะก็จะจมอยู่ในความโกรธจนนอนนอนไม่ได้จนกินไม่ได้นอนไม่หลับไอ้ความโกรธเนี่ยมันน่ายึดถือที่ไหนไอ้ความปวดมันน่ายึดถือที่ไหนแต่เราไปยึดมันเพราะอะไร เพราะความหลงเพราะความลืมตัวอย่าไปโทษความโกรธอย่าไปโทษในความทุกข์เพราะมันเป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นตามเหตุามปัจจัยแต่ถามตัวเองว่าเราไปยึดมันทําไมเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็ต้องแก้นะแก้โดยการมีสติมีความรู้สึกตัวรู้ทันความทุกข์รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะเริ่มรู้จักการวาง และพอเราเริ่มรู้จักวางสิ่งที่ทำความทุกขให้กับเราได้ต่อไปสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเราก็วางได้่ายความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูก็ทำให้ใจเป็นสุขได้อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะไตร่ตรองจากประสบการณ์จากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ที่ปรากฏถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้กำไรเราจะไม่หมัวแต่จมอยู่ในความทุกข์แต่ว่าหาประโยชน์จากมันให้ได้ อย่างนั้นก็รู้ว่าเราทุกข์เพราะอะไรอะไรคือสมุทยัยนะแล้วก็แก้กันที่ตรงนั้นอาตมาก็กล่าวพอสมควรแล้วนะก็ขอยุติการบรรยาย